50 languages. 83 g h t y t h r e e Yambutta Muru. Adi Tagan. t h r Bhutakala Muru. t e l e p h o n Telephone. m a d u d u Di h a n t e นานูฟนมาดิเดดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมานานูปูรติสมัยาโฟนนัลลีมาตนาดุติดเดถามประชนิสุดุดิฉันถามแล้วนานูประชญนเกลีเดดิฉันได้ถามเสมอ นานูยาวา g a l o ปรสเนเกลุติดเด้เล่าเฮลูวุดูดิฉันเล่าแล้วนานูเฮลิเด้ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วนานูสัมพูนกัเตเฮลิเด้เปลียนคลี่บุดู ดิฉันเรียนแล้วนาหนูกลิเตดิฉันเรียนตลอดทั้งค่าเลยนาหนูยดีสายงกาลากลิเตทำงานเลสมาดูุดูดิฉันทำงานแล้วนาหนูเคลสมาดีเด ดิฉันทำงานทั้งวันเลยนานูอีดีดิวะสาเคลสมมาดิเดรับประทานทานติ น, นูบุดุดิฉันทานแล้วนานูตินเดดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว นา ನ โอ ಟ ವ ನ ್ ನ วันโอปูร์ตಿยาเกต